อริยสัต์เป็นธรรมที่ครอบคลุมธรรมะทั้งหมดมีพระสูตรอันหนึ่งนะชื่อรอยเท้าช้างชื่อหัตถิปัทโ ป, ปมัสสูตรชื่อยาวมากหัตถิปทโทปมัสสูตรท่านสอนบอกว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์บกนะสัตว์น้ามันก็มีรอยเท้าเหมือนกันใช่ไหมมีไม่กี่ชนิดที่มีเท้าบอกรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเนี่ย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 เบื้องปลายดับทุกพ้นทุกเนี่ยเป็นพระอราหันต์ที่ยังดํารงขันอยู่ดับทุกคือพระอราหันต์ที่ท่านดับขันแล้วพ้นทุกเนื้อพระอราหันต์มีขันไหมมีแต่ว่าจิตของท่านพ้นจากขันเพราะงั้นท่านพ้นจากทุกเบื้องปลายนี้ดับขันก็ดับทุกตัวขันนั่นแหละตัวทุกธรรมะประณีตนะค่อยๆเรียนค่อยๆฟังอย่าเน้นเอาเองมั่ว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 สงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวมันเป็นสมถะจิตยอมไปมีความสุขมีความสงบนะต้องเลือกอารมณ์ถ้าเราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราชอบจิตมันชอบไม่ใช่เราชอบนะที่จิตมันชอบอย่างบางคนนะจิตชอบพิจารณาสุภาพินารสุภาแลวสงบแต่เราไม่ชอบเรากลัวผีให้ไปนั่งป่าช้าอะไรนี่ไม่ชอบเลยนะไปเห็นลดน้าศพบางคนยังไม่ชอบเลยแต่จิตมันชอบพอเข้าใกล้แล้วสงบ เย่างนี้ยสมควรทํำยังไงดีจิตมันชอบแบบนี้จิตมันชอบงี้เอาสิเรากลัวผีดูไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหลังก็ไม่กลัวเองแหละะแต่จิตมันเข้าใกล้ไปเห็นศพอืรถทับมาเละๆพองๆเวลาศพถูกรถทับ น, ะนั้นเน่าเร็วมากเลยเร็วกว่าศพธรรมดาแป๊บเดียวน้อก็เน่าเราก็ไปดูได้จิตใจสงบนี่ถ้าจิตมันชอบ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 นี่เวลาเดินวิปัสสนานะี่ยไม่ใช่จะเอาอันหนึง่งจะเกลียดอันหนึ่งเรามีสติรู้สภาวะทั้งหลายที่มันเป็นคู่คู่ ne, เช่ oui, นเผลอรู้ในคู่หนึ่งเห็น ไ, ไหมโกรธกับไม่โกรธคู่หนึ่งโลภกับไม่โลภคู่หนึ่งเนี่ยเห็นเป็นคู่ ค, คู่ไมันจะพลิกไปพลิกมาในคู่ของมันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกเอา อ, น อ, าอนนันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไม่ใช่จะเอารู้สึกตัวเกลียดหลงจะเอาความไม่โกรธเกลียดความโกรธจะเอาความไม่โลภเกลียดความโลภ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 แต่ว่าจริงๆท่านอาจจะรู้เยอะก็ได้ไม่ใช่ว่าท่านพูดนิดเดียวแล้วก็ท่านรู้น้อยไม่ใช่พูดเยอะอย่างห<ภ>ลวงพ่อเรารู้เยอะนะอห<อ>ลวงพ่ออาจจะโง่มากก็ได้เอาแน่ไม่ได้หรอกบางท่านท่านไม่พูดอย่างหลวงปู่ดูลไม่ค่อยพูดนะแต่ความรู้ของท่านอาศัอศจริย์อัศจรรย์มากมเลยห<อ><อ>ลวงพ่อไม่เคยเจอท่านที่สองที่เหมือนหลวงปู่ดูลเลยคือหลวงปู่ดูลเนี่ยถ้าเราจะเรียนกรรมฐานจากท่านท่านชี้ขาดได้เลยว่าคนเนี้ต้องทํากรรมฐานอะไร